ิดมันไม่กูไม่คิ ด, ม, ม, คดมัน ม, มีความอยากกเหมือนธาขันของขเราธรรมดา <c oughs> ที่มันไม่อยากเหมือนหัวหารถึงทาลงไปมันคงมีรถชาติอ ร, อ, รอยอะไร <c oughs> ใจที่ไมสัมผัสกับเรื่องของอของทำก็ทำนองเดียวกันมันมี้ความยากความหิวหย้ย พูดอยากพูดเต็มใจพูดฟังอยากฟังเต็มใจฟังเหมือนกับขาดขันมันหิวทานอะไรเข้าไปก็อร่อยอร่อยนการฟังธรรมะในสมัยพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันก็เหมือนกันเราไปเสี่ยวนิเวศนานๆมาได้ระดับรับฟังครูอาจารย์อธิบายธํา รู้สึกว่ามันสาบซึ้งถึงจิตเพื่ใจมีรสชาติดีถ้าฟังบ่อยๆมันก็ไม่ค่อยจะมีรสชาติอะไรให้แต่นั้นทุกคนทีุ่มงมั่นมาปฏิบัติศีลธรรมเพิ่งตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติโดยตัวเองถือว่าการเวลา ชีวิตของเราไปทุกขณะทุกวินาทีนาทีชั่วโมงเราใกล้สอบความตายเข้าไปทุกวันทุกเวลาคนงานความดีของมีค่าในตัวของเรามีอะไรบ้างมันสอบถืบทีนี้พิจะะารณาเหมือเราตายไปเราจะไปที่ไหนมีอะไรเป็นจีโอบุญใจก่อนที่จะ ล่างไปในชีวิตชาติหนึ่งหนึ่งให้คำหนึ่งคำนวณหาเพราะชีวิตของพวกเราเป็นของกีดจะก้าวหน้าไปสู่ความตายทุกระยะทุกเวลาความตายไม่ใช่ของอยู่ไกลอยู่ใกล้ใกล้หากเราพิจารณาจริงจังที่ว่ามีชีวิตชีวาอยู่ได้ทถานั้นปีทถานี้เดือนนั่นเป็นเรื่อง ความผ่านการเวลามาเท่านั้นชีวิตจริงๆก็เพียงลมหายใจออกไม่เข้าัวดรงตายเข้าไม่ออกปวตรงตายหมาว่าผู้หญิงผู้ชายหมาว่านักบวชหรือคณะหัดเพียงแค่นั้นแหละชีวิตของมนุษย์เราแต่คุณงามความดีที่เรามีชีวิตผ่านมาในอดีตหรือปัจจุบันเป็นเครื่องวัดว่าเรา ดีชั่วขนาดไหนได้อะไรเป็นเสื่องอกุลใจในการเกิดมาเป็นมนุษย์ในสร้างคุณงามความดีถึงเรียกว่าบุญกุศลเพียงพอบริบูรณ์หรือยังถ้ายังบกท่องแขนไหนจะได้เพิ่มเติมเสริ ม, ต, มต่อให้คุณงามความดีสวีขึ้นไปเมื่อเรามีคุณงามความดีภายในใจหมายถึงบ้า ทางกายเราได้ทําไปหรือความสุจริตทมปายใจได้พูดไปในสุจริตทำเหมือนกันใจได้คิดติดตามเรื่องอัตธรรมมาตามกําลังความสามารถความชั่วช้าลามกอะไรที่กายจะทําปายใจะจะพูดจิตจะคิดไม่ค่อยมีส่วนบุญกุศลสึ่งเป็นเรื่องภายนอกหรือเรื่องภายใน หมายถึงการเสียสละการให้ทานเราได้ทํามากน้อยแค่ไหนการให้ทานวัตถุภายนอกเราได้ทานมามากขนาดไหนการสละให้ทานภายในหรือเดล็กให้ทานความสั่วชาลามกให้ตกไปจากใจของเรามีขนาดไหนใจของเราเยือกเย็นเียงพอบริบูรณ์หรือไม่มันตรวจ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 เราก่ได้ไปเกิดในสถานที่ไม่ดีเพราะไปด้ความมืดไม่ทราบว่าจะไปตกแข่งหนตำบลใดจะไปถูกพบน้อยพบใหญ่ที่ไหนเพราะความมืดของใจไม่มีความสว่างสวัยจะไปให้ถูกถตนนอนทางไม่ได้เพราะใจไม่มีความสว่างอะไร <c oughs> ที่อยู่ในจิตในใจของตัวแต่นั้นถ้าพูทใจจ้าจึงสอนให้แสวงหาคุณงามความดี ให้มีแสงสว่างภายในใจถึงแม้จะไปเกิดพบน้อยพบใหญ่เรื่อํานาจความสว่างท้องใจไปเกิดได้ตามความมุ่งหมายปรารถนาเพราะเราไปด้วยความสว่างภัยอันตรายในระยะทางย่อมไม่เคยจะมีขึ้นเหมือนคนที่มีคนมีไฟติดตัวไปหลุมบอ่อก็รู้จักหลับตอ่อก็รู้จักไม่ไปโดนไม่ไปตก มีหมายถึงผู้ที่มีความสว่างสวัยพบใดที่จะเป็นทุกข์จะรับความลําบากอยากเย็นอย่างนั้นอย่างนี้ผลีเบียงนี้ได้เพราะเรามีความสว่างมองเห็นถนนทนทางมองเห็นที่จะไปนี่จิตใจของพวกเราท่านเมื่อได้สะสมคุณงามความดีกล่าวคือทานศีลภาวนาไว้ก็มี ความสว่างภายในใจจะไปสถานที่ใดก็มีความสุขพอสมควรตามฐานะหน้าที่เหมือนคนตาดีเรามีแสงสว่างจิตตัวไปไปก็ไม่มีใครอันตรายแต่นั้นท่านจึงใสกสร้างคุณงามความดีเอาไว้คุณงามความดีก็คือความสว่างสวัยภายในจิตในใจของตนคนเราจะเลือก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 บางท่านบางคนเกิดมาอดยากยากจนไม่มีอะไรที่จะอยู่จะกินที่หลับที่นอนก็ไม่สะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างไปขาดแทนอดจนเท่านั้นเรื่องเหล่านี้ในทางพระพุทธศาสานาท่านสอนอว่าเป็นเพราะกรรมของเขากรรมที่เขาสร้างสมอบลมเอาไว้สนับสนุนให้ ส่งเข้าไปสู่ที่อย่างนั้นถึงแม้ว่าจะไม่มองเห็นแต่ ร, รมชั่วช้ารามกนั้นสามารถที่จะดึงบุคคลดึงจิตนิสัยดึงจิต ด, ดึงใจของผู้สร้างไวให้ไปตกในสถานที่อย่างนั้นไม่ชอบอกชอบใจก่อตามแต่ก็ได้ไปเกิดได้ไปอยู่ได้ไปอาศัยเพราะคำชั่วที่ตัวสร้างเอาไว้ ดึงดูดไปติดเหมือนกันกับเหล็กตามเหมือนกันกับแม่เหล็กสามารถที่จะดึงดูดเหล็กเล็กๆให้ติดไปได้มี่พวกเราทั้งหลาย <c oughs> ที่มาบวชเรียนเช่นอ่านก็ดีบวชขี่มาศึกษาธรรมะชั่โมมาปฏิบัติก็ดีก็ได้ชื่อว่ามาหาแสงสว่าง ใส่ตัวพ้องตัวคือสร้างสูยงามความดีเอาไว้สามารถที่จะไปถูกต้องตามจุดหมายปลายทางพ้องตัวมาอย่างนั้นทาาสร้างกำลั่วเอาไว้ก็จะเป็นไปตามในที่อธิบายมาคนที่มีความอยากจนคนแค้นไม่มีสมบัติภัะสถานอะไรก็เนื่องจากเขาไม่เคยให้ทานทําการสุขสนอะไร คนที่มีโรคไข้เบียดเบียนถึงจะมีทรัพย์สมบัติมากไม่หลายหลวงขนาดไหนก็ไม่มีความสุขใจเพราะใช่ไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยได้โรคไข้เบียดเบียนอยู่ทุกการทุกเวลาเนื่องจากขาดการรักษาศีลกว่ายอย่างนั้นทางศาสนาท่านสอนเอาไว้คนที่มีสติปัญญาไม่ค่อยดีเป็นคนโง่เง่าเตาตุน เพราะเหยดที่ไม่ตั้งหนา้าตั้งตาอบรมทางภาวนานี่เป็นทางที่จะนำมาสู่ความสุขผู้ที่ได้ห้ทานรักษาศีลจเจริญเมตตาภาวนาจะพร้อมไปด้วยสมบัตภายนอกสมบัตภายในหมายถึงสมบัตภายนอกก็สมบูรณ์พูนสูกสมบัตภายในคือโรคไขก็ไม่เบียดเบียนมีร่างกาย สางงามด้วยอำนาจของศีลจีตตนเคยรักษาเอาไว้คนที่อบรมใจทางภาวนาก็จะเกิดสติปัญญาความเฉลียวฉลาดเมื่อเป็นเช่นนั้นเราทุกท่านก็มีหน้าที่ที่จะกระทำบาเพ็ญทานเราก็เคยให้ศีลเราก็สมาทานศึกษาหรือวิรัตเอาในใจของเรา ภาวนาเราก็มุงหน้ามุงตากระทำให้เกิดเป็นเห็นรู้เพราะทุกคนมีอยู่อาจรคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่มีรูปประทรมนามธรรม ม, รร ม, มีประจำทุกท่านอะไรเป็นรูปประท ร, รมสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาทุกสิ่งทุกส่วนไปถ้าหากเรามีปัญญาแนสอนเราน้อมสิ่งนั้นเข้ามาสอนจิต ส, สอนใจของเราสิ่งนั้นจะเป็นธรรมขึ้น ไม่ว่าอะไรทั้งหมดเป็นธรรมไปหมดเมือ่อจิตของเราเป็นธรรมเมือ่อจิตของเราไม่เป็นธรรมอะไรก็ไม่เป็นธรรมให้ถึงจะเรียนจบคาใายปีดกจิตใจไม่เป็นธรรมก็มีความเดือดร้อนวุ่นวายกิเลสตัณหามานาทิฏฐิก็ไม่มีอะไรที่จะตกไปจาได้แต่ชื่อข้องมันตัวจริงของมันเป็นอย่างไรมันมีอยู่ที่ไหนที่ท่านว่ากิเลสความ ใช่ความเศ้าหมองของใจปัญหาความอยากมันอยากอยู่ที่ไหนอะไรมันอยากไม่ได้น้อมนึกคิดทินิจพิจารณาไม่มีทางที่จะชำระไม่มีทางที่จะปัดเป่ามันไปถึงเรียนมากขนาดไหนใจมันก็ไม่มีความสว่างสวัยใจมันก็ไม่เห็นภยัยใจมันก็ไม่แก้ไขเรื่องกิเลสตัญหาส่วนนั้น ใจเคยมืดบอดอย่างไรก็มืดบอดอยู่อย่างนั้นความอยากที่เคยมีอยู่อย่างไรก็ทับถมอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะเบาสบายไปเหตุนั้นพวกเราท่านก็เคยได้ยินได้ฟังและเลยจดได้จามาจากําหรับาําราพอสมควรโอกาสเวลาที่เรามาพักผาอาศัยมาบวชเป็นพระที่สู่สามเณรก็ดีมา อยู่ในสถานที่วัดถึงเป็นคลือหัดก็ดีก็มุ่งมั่นมาปฏิบัติจิตใจของตัวไม่ใช่มาเล่นมาเพินป่าปัะหมันพินิธพิจรารณาให้ได้อุบายปัญญาเกิดขึ้นจากการกระทำของตนวันนี้ได้รู้ได้เห็นอะไรจิตใจเยือกเย็นหรือไม่หรือเต่าหมองคุณมัวไปเพราะอารมณ์อันใด มันสืบสอบทินิ้พิจรารณาแก้ไขจิตใจของตนที่ข้องติดต่างๆเมื่อเราทุกคนสอบสืบทินี้พิจรารณาจิตใจที่เคยวุ่นวายกังวลกับอารมณ์สัญญาต่างๆอยู่สม่ำเสมอจนสอนมันให้เข้าใจชัดเจนว่าอารมณ์ที่เราเคยติดตาม เรื่อยไปนั้นตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งปัจจุบันไม่มีอะไรกันที่จะเป็นเรื่องแก่ชีเลไม่มีอะไรการที่จะทำให้เราเบิกบานหันษาไม่มีอะไรการที่จะทำให้สติปัญญาดีขึ้นเวลานี้เรามาฝึกอบรมจิตที่เคยฟุ้งปรุงเคยวุ่นวายต่างๆเข่าสงบเราจะไม่ ติดตามอารมณ์สัญญาอะไรที่เคยผ่านมาหรือปรุงขึ้นจากจิตของเราเราจะเอาํำบริกรรมหรือแข่งพินิดอันหนึ่งอันใดจับจุดจดจ่ออยู่นั้นจนจิตปล่อยวางสัญญาอารมณ์ต่างๆเขามารวมตัวเป็นสมาธิรวมลงสู่จุดเดียวเบาสบายทั้งกายทั้งจิตมีความอัศจรรย์ เกิดขึ้นความสุขของสมาธิความสุขของการภาวนาเป็นอย่างนี้ได้รู้เห็นกับตากับใจของตัวใน ด, ดื่มรสของอาจของทำใจจะเชื่อมัน่นอยากประพฤติปฏิบัติอาจทำเลื่อยไปไม่อย่างนั้นความเชื่อความเริ่มใสก็จะไม่เกิดขึ้นไม่เป็นขึ้นจะให้มันอยากเอง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 เราเป็นคนเป็นสะได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาพอสมควรแล้วเราจะแนะสอนตัวของเราให้มีกฎมีเกณฑ์ให้อยู่ในขอบในเขตขอบเขตก็คือเมื่อเราจะบริกรรมขอให้อยู่แต่ในคำบริกรรมของตนอารมอื่นหมื่นแสนจะมาผ่านไม่เกี่ยวข้องจะให้อยู่ในสถานที่นี้ จนจิตรวมได้ลงได้นี่เป็นเรื่องที่เราทุกคนจะฝึกฝนฝ่าฝืนที่เหลือตัณหาไม่ว่าแต่ตัวของพวกเราพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์กระทาอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามันจะดีเด่นเป็นขึ้นเองมีความอยากเพีย ก, ก่อนถึงก่อยจะได้รับ <c oughs> ทำตามมันไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็บังคับพระไทรของพระ อ, องค์กระทาบาเพ็ญ หากว่าจิตใจมันหลุดคนไปเองมันมีความอยากความหิวทางธรรมะจึงค่อยจะทำกันมันเป็นไปไม่ได้ในระยะที่จิตใจของเรายังไม่เข้าถึงธรรมะไม่ทราบว่าธรรมะมีรสชาติเป็นอย่างไรเหมือนอาหารที่เราไม่เคยรับทานเราก็ไม่เคยมีความอยากเราอยากก็คือเราเคยพบ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 เป็นสิ่งที่ไม่ปรารถนาสิ่งที่ไม่ปรารถนาทั้งทั้งหมดเรียกว่าความชั่วความไม่ต้องการของเราความดีเล่าสิ่งที่เราปรารถนาโดยส่วนใหญ่สามารถที่ทจะพิจารณาภายในก็คือความสุขความสุขเป็นสิ่งที่ปรารถนาของสัตว์ของบุคคลทั่วไปเครื่องเสื่าความสุขแล้วอยู่ไปก็อยาก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 บื่อหน่ายความสูก ข, ของเรื่องตาเรื่องหูจตหมู่กลิ้นเป็นอย่างนั้นเราเคยประสบพบเห็นกันมาแต่ก็เปลี่ยนฉากเลื่อยไปความหลงกับ้าใจก็เลยหลงเลื่อยไปส่วนความสูก ข, ของธรรมะความสูก ข, ของคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งเห็นยิ่งเป็นทุกวันทุกเวลา ก็ยิ่งกระยิในกิดในใจไม่มีวันเบื่อหน่ายเหมือนความสุขของเรื่องภายนอกเหตุ น, นั้นความสุขที่จะเกิดเป็นเห็นรู้อย่างนี้ก็เพราะอาศัยการกระทาบาเพ็ญของพวกเราไม่ใช่ว่าความสุขนั้นจะวิ่งเข้ามาหาตัวของเราเองถ้าเราไม่กอสร้างขึ้นไม่บําเพ็ญ ใรู้ให้เห็นความสูกนั้นก็ยังจะไม่เกิดไม่เป็นให้จะอยู่ในวัดในวาอยู่ในที่สงบสงัดขนาดไหนมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ฝึกไม่รักษาเหตุนั้นสัตว์ป่าจึงไม่มีสมาธิจึงไม่มีปัญญาจึงไม่มีวิมุตต์เมื่อเสถานที่เงียบสงบแล้ววิเลี่ยนปัญหามันจะเงียบสงบไปตามเราต้อง กนปิดพิิพิจารณาบังคับบัญชาขับไล่สายส่งเรื่องกิเลสตัณหาออกไปจากใจของเรา้วย อ, อุบาย ท, ที่มีสติมีปัญญาซึ่งเป็นสันเลขาธรรมพือขัดเกลอกิเลสอยู่สม่ำเสมออยู่อิริยาบทใดไม่ปล่อยวางสติไม่ปล่อยวางปัญญาฝึกซ้อมรักษาจิตใจของตัวอยู่สม่ำเสมอ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 คิดแบบเก่าไม่มีการปรับภุงตัวสักทีไปสถานที่ใดที่เลดก็ยังขี่หลังนั่งคอไปไม่มีอะไรที่จะไปเสื่อมวิเศษเป็นอาจเป็นทำให้นี่คือใจที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่แน่สอนไม่ฝึกซ้อมตัวของตัวเป็นแบบนี้ฉะนั้นพวกเราท่าน การสดับรับฟังธรรมครรสอนของพระพุทธเจ้าเคยได้สดับรับฟังมาพอสมควรทุกท่านทุกคนหากว่าความจําของเราสัญญาเป็นนิจจังเราจะจําได้มากจนไม่สามารถที่จะพูดให้ทั่วถึงได้ น, นี่ไม่เป็นอย่างนั้นสัญญาอนิจจาไม่เที่ยงสัญญาณัจจาไม่ใช่ตัวตน ตกไปหายไปฉะนั้นเรามาฟังธรรมจากใจของเราเดี๋ยวนี้ใจของเราเลิกคิดติดตามเรื่องอะไรเป็นที่อบอุ่นในใจหรื อ, อยังหรือคิดพุ่งพวงไปในอดีตอนาคตต่างๆปัจจุบันจิตใจสัมผัสกับธรรมอะไรได้แก้ไขเรื่องกิเลสตัณหาอย่างไรมั่นพินิดพิจะะารณามั่นศึกษา มันสอบดูเรื่องจิตใจอยู่สม่ำเสมอจิตใจเมื่อมีเจ้าหน้าที่คือสติปัญญารักษาเมื่อมันผิดอย่างไรก็ปรับโทษทองมันแนะนมันเหมือนกันกันกบโจรที่อยู่ในเียมือของเจ้าหน้าที่มันก็ไม่ไปทําชั่วทําเสีย เระเหตุใดเพราะมันกลัวเจ้าหน้าที่จิตใจของเราเมื่อมีสติปัญญารักษากอทานองเดียวกันเรื่องชั่วเรื่องเสียต่างๆถึงมันเคยนึกคิดเมื่อมีสติรักษาเป็นนายประตูอยู่แล้วมันคิดอะไรเป็นไปทางอัตทางธรรมหรือทางอธรรมเดี๋ยวเรามาศึกษามาปฏิบัติชอบอย่างนี้หรือความนึกคิดนี้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 อาจทมจะได้สดับรับฟังอยู่สม่ำเสมอคือมันจะพูดขึ้นบอกขึ้นรู้ขึ้นเห็นขึ้นเพื่เพลินในความรู้ความเห็นความราความถอนของตัวนี่คือผู้ปฏิบัติทมผู้ฟังทมถ้าไปฟังจากคนอื่นมันก็มีการหลุ่มการหลงเราเราจะไปอาศัยคนอื่นเลื่อยไปบางทีสั่นตายไปสั่นจากไป ตัวของเราเองก็ไม่มีที่พึ่งที่อาศัยที่ไหนเราต้องพึ่งตัวของเราเองอัตฉริอั ต, อตนโนนาโถพึถ่งตัวของเราเองเราทําดีจิตใจของเราดีไม่หวุนวีหวุ่นวายคิดในการกระทํามของตนก็เยือกเย็นเราพูดดีกวไม่กัมนิตตัวของเราเพราะเราไม่ได้พูดชั่วพูดเสียอะไรเราคิดดีก็มีความ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 จากพระไทยของพระองค์สมณสาสางอยู่นี้ดับโลกดับนี้ไม่ได้ไปดับที่อื่นโลกกวิถูรูแจ้งโลกว่ารอยู่นี้ไม่ใช่ไปเที่ยวทุกโหนทุกแข่งจึงว่าโลกกวิถูพระพุทธเจ้าเนีสอนอย่างนั้นโลกอาบายโลกหรมนุษย์จะโลกเทว่าโลกธรรมโลกมันอยู่ในจิตไม่ได้อยู่ในที่อื่น ดับโลกสามที่พระพุทธเจ้ า, าดับก็ดับอยู่ในที่นี้จิตใจปิดใส่คิดปิดชั่วก็เป็นเรียงโลกต่ำโลกชั่วโลกอบายจิตปิดคิดใส่ตามธรรมดาสามั น, มนุษย์ก็เป็นมนุษย์สมบัติจิตที่มีหิริโอตปะวัวบาปอายบาป ไม่อยากจะทำเพราะกรรมนั้นจะแผดเขาหรือติดตนตามตัวไปก็ได้ชื่อ่ใจเป็นเทวโลกมีเทวธรรมจิตตั้งมั่นเข้าไปเป็นสมาธิมีสารสมาบัติอยู่ในตัวของตัวก็เป็นภพมโลกโลกไม่อยู่ที่อื่นการพ้นโลกแล้วก่ผู้ใดติดผู้นั้นแหละจะพ้น คามปิดเป็นอย่างไรเราเคยเห็นมาความปิดของคลองใจเมื่อเราฝึกไปจนถึงขี่สุดวีมุดเกิดขึ้นเราไม่ต้องคลองใส่จะเห็นไปจากในจิตในใจของตนเึิ่งศึกษาในสถานที่นี้เพิงปฏิบัติในสถานที่นี้ไม่ต่อไปศึกษาที่อื่นไม่ต่อไปปฏิบัติที่อื่นฟังอยู่ในสถานที่นี้ชั่วดีมันต่อสแสดงอยู่ทุกการทุกเวลาหากเราไปมองที่อื่น ดูที่อื่นไม่มองดูจิตใจของตอนเองว่าเป็นอย่างไรก็จะไม่เห็นธรรมสักทีดีชั่วกว่จะไปเหมาเอาที่อื่นลองดูเข้ามาภายในเพราะธรรมเป็นโอปัญิโกน้อมเข้ามาดูภายในของตัวดีชั่วกว่จะเห็นละได้มากน้อย <c oughs> น้อยเท่าไรก็จะเห็นพอเราดูอยู่ทุกการทุกเวลา เรามาชำระเรามาสาสางเรามาทำดีไม่ใช่เรามาทำชั่วมาคิดชั่วมันสอนตัวอยู่สม่ำเสมอการกินการนอนเราเคยกินเคยนอนมาพอสมควรความสุขจากกินจากนอนเราก็รู้จักอีกแล้วส่วนนี้ไม่ว่าต่างแจมเมล็ดสัตว์ดระหลาดมันก็ทำได้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 ตามกำนัดบินดีต่างๆโดยอำนาจคินิพิจณาด้วยสติปัญญาว่าสิ่งนั้นนั้นความจริงของมันเป็นอย่างไรเมื่อจิตมีงเห็นเป็นจริงมันจะปล่อยจะวางจะละจะถอนความจิดคลองคองใจแล้วใจจะสุขใจจะสบายมีความสะดวกสบายมันไม่มีอยู่สถานที่ใดมันมีอยู่ที่กายที่ใจของเรา การศึกษาจึงไม่มีการจะไปศึกษาที่อื่นศึกษาที่นี้รู้ที่นี้เข้าใจที่นี้ก็เลยเป็นโรกวิทูเพราะไม่มีการติดข้องรูปโรคทั้งสามการมาโรคเป็นอย่างไรรูปประโรคเป็นอย่างไรอรูปประโรคเป็นอย่างไรเข้าใจเป็นโรกวิทูในตัวรู้หมดไม่ต้องไป เขี่ยนโนนเที่ยนี้ก็เห็นจิเลตมีในกิตในใจมันได้รับความเดือดร้อนขนาดไหนจิเลตหมดไปมันเป็นอย่างไรก็เข้าใจหรือพูดยาบๆเรื่องของคนในโลกที่ลุ่มหลงกันเพลิ์เพลินกันหรือการมาลาค่าต่างๆลุ่มหลงอะไร ขอพ่อจิตใจไม่ได้ที่นี้พิจารณาถึงความจริงธาตุขันหรือมันลุ่มหลงหรือเป็นเรื่องจิตใจยญิงชายมันมีจริงหรือที่นี้พิจรารณาให้ถึงฐานของมันธาตุขันอันนี้ไม่เคยกำหนัดยินดีไม่เคยชอบเคยจิตกับอะไรหน้าที่ของมันเกิดมาก็แปรปวนแล้วแตกสลายไปถ้าไม่มีจิตอาศัย รือร่างกายหญิงชายจะนอนเทินกันอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะกำหนัดยินดีด้วยกันเรากำหนดทีนี้พิจนาธาตุขันของเราให้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแน่นอนแล้วเมืก็จะถอดถอนความลุ่มหลงกำหนัดยินดีไปเองเมื่อเรารเข้าใจธาตุขันของเราเป็นอย่างไรสัตว์ทั่วไปในโลกก็เป็นอย่างนั้นที่เขาลุ่มหลงกันคือไม่รู้เรื่องของธาตุขันอย่างจริงจัง เลยไปเย็ดมั่นถือมันสําคัญว่าเรื่องของความเป็นเรื่องของความสุขอาจทมที่ดีเด่นกว่านั้นไม่เคยมีเคยเป็นในจิตของสันเหล่านั้นจิตใจจึงไม่มีที่เก่อที่อาศัยเมื่อคเลยไปเกาะสร้างาซุพะอาซุพังเป็นเรือไปเท่านั้นเพราะมันมีที่เกาะที่อาศัยถ้ามันมีที่เกาะที่อาศัยดีเด่นแล้ว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 ยอมเสียสละจะทำบทําเพ็ญจริงจังทุกคนจะต้องรู้ต้องเห็นเพราะอาตธรรมมีอยู่ในสถานที่นี้ไม่ได้มีอยู่ที่อื่นคนกลัวตายข้ามตายไม่ได้เพราะไม่กล้าที่จะสู้กับความตายมีคนจิตว่าสู้กับความตายไม่กลัวตายมันจะตายไปจี่ทางจี่หนในชาติหนึ่งหนึ่งฝังจิตลงไป ตั้งมัน่นทีนี้พิจารณาอาจทำเมื่อเราต่อสู้จริงจังมันเป็นเรื่องโกหกพกรลมของกิเลสตัณหาห้ามกัน้นไม่อยากจะให้เราพาวนาไม่อยากจะให้เราข้ามไม่จากิี่สทากันจริงจริงยงจังเไม่ตายครับตายพระพุทธเจ้ามีมาสอนโลกครูอาจารย์ที่ผ่านเรื่องเหล่านี้มานับไม่ถ้วน าตายท่านไห ม, ไมเป็นครูเป็นอาจารย์ขโคตรเวลากล้าเวลาแข็งก็ต้องกล้าต้องแข็งจริงๆจังๆเวลาต่อสู้จะไม่ถอยทาบกลับศึกไม่ได้ต่อสู้ตายดาบหน้ามันไม่ตายกวจะให้รู้ให้เห็นถ้ามันตายพอมันตายไปเสียมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติเมื่อเวลาถึงจุดที่จะ เล่งเวลาถึงจุดที่จะเอาเจ็มแข็งเอาอย่างนั้นเราไปเพียงลูบๆเขาทำมันไม่หักให้เพราะกิเลสมันใหญ่เหมือนต้นไม้ต้นใหญ่ๆเราจะเอามือไปลูบให้มันหกักมันขาดไม่ได้ต้องเรื่อยต้องตดัดเข้าไปจริงๆจ้งๆเมื่อเราเรื่อยไม่หยุดตัดไม่ถอยมันก็ขาดเท่านั้นมันขาดแล้วมันจะตั้งโดอยู่ไม่ได้มันจะตกพังลงมา มนจิตใจที่ห้ามหันกับเรื่องชีเลตัญหากอทำนองเดียวกันเราต้องสู่จริงจรางจังเพะมันเคยเป็นเจ้าหัวใจมนาะเป็นเวลานา น, นสาวกี่พบกี่ชาติมันจถ้าเราทำเล่นมันก็จะเป็นไปแบบเก่าเราจะทำจริงใครดีใครชั่วก็จะเห็นกันนีเวลาเรา จะต่อสู้จริงจังต่อสู้อย่างนั้นการทําเล่นไม่ค่อยเห็นผลจริงจังควรจะต้องทําจริงคนไม่กล้าไม่สามารถที่จะข้ามจากทีวิตปัญหาได้คนโง่กว่าไม่มีทางที่จะสอนตัวให้ละชั่วบ่มเพียนดีได้าคาสอนของพระเจ้าสอนให้ขยันหมั่นเพียรสอนให้มีสติสอนให้มีปัญญา เพราะจมีความอดนทนถาไม่ยากไม่ลำบากง่ายง่ายใครต้องการอยากจะไปพระนิพพานก็ไปได้อย่างสะดวกสบายใครล่องจะมาก็เกิดให้ทุกยากลำบากทับถมตัวของตัวอยู่อย่างนี้นี่มันเป็นเรื่องของยากคนที่ปฏิบัติได้เห็นเป็นรู้จึงหายยากก็เอาคนหนึ่ง เป็นนักลบนักปฏิบัติถือว่าพุทธทางธรรมังทั้งทางสรณะังขจานีไม่ได้ถือว่าคนมีจิเลตัญหาสรณะังขจานี้เราจะต้องมุ่งหน้ามุงตากระทาบำทําเพ็ญพระพุทธเจ้าหรืออรหัตอรหันธ์ท่านไม่ตายท่านก็มีอวัยวะร่างกายมีธาตุขันเหมือนเราทําไมท่านจึงมีจิตใจกล้าแข็งอย่างนั้นเราทําไมจะเป็นคนอ่อนแอ เร็วหลายคนเดียวดีเด็ดปวตัวเดียวกันตัญหาอันเดียวกันปวดตึงขาดตึงขันก็อันเดียวกันอีกจะมาลุ่มมาหลงม า, งมาเพื่อมาเพลินทําไมแต่เห็นว่าของนี่เป็นของไม่ดีของนี่เป็นของสกโปกของนี่เป็นของที่น่ายเสียหน้ากลัวเราทําทไมมาหยิบมายืมมาแบกมาหามเอาเรา เป็นคนบริสุทธิ์หรือยังเป็นคนดีหรือยังมันที่นี้พิจรารณามันแนสอนตัวมันฝึกฝนตัวทําขนาดนี้ยังไม่รู้ไม่เห็นทําให้เข้มแข็งเข้าความห่าความเพียนมันไม่เหลือวิสยัยถ้าเหลือวิสัยทําไม่เกิดขึ้นไม่มีขึ้นในโลกมีไม่เหลือวิสัยร้องผูกสี่ผ่าเพียนพยายาม พระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักอยากให้พวกเราทุกคนภาเพียรพยายามทำลายกิเลสตัณหาความสุขของจิตของใจเป็นอย่างไรจะประทับในจิตในใจของผู้ฝุผู้อครมถ้ากล้าหานถ้าเต็มใจพอเพื่อปฏิบัติมันเป็นไปได้นี่ไม่เต็มใจทำพอเป็นที่จรีตองเท่านั้น เดินยงกลมกว่าทําท่านั่งภาวนาก็าเพียงทําท่าไม่ทรบว่าใจมันอยู่ในอาดในธรรมหรือมันลอยมันวิ่งไปตามสัญญาอารมณ์อะไรกว่ามันอิม่มมันพอกลับมาว่าตัวเดินภาวนาเดินยงกลมเอออะขนาดนี้ภาวนาขัดเอาละเอาละอะไรละ่ะได้อะไรถือว่าเอาละมันได้หมอนน่ะหรือนั่นหมายถอะไรตกไปอะไรที่จะ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 ท่านเป่าหูอยู่สมามเสมอจึงจะก่อยทำท่ า, ทาหลับหูหลับตาภาวานาเมื่ออยู่แต่ตัวเม้าแตค่คุยคุยเพื่อเพลินเรื่องอื่นอย่างนั้นก็ได้ชื่อว่าไม่แตผู้มาฝึกปฏิบัติให้มันฝึกร ว, วมตัวของตัวไม่ใช่เรามาเล่นเรามาทำจริงรทพุทธเจ้าไม่ใช่คนเล่นเป็นคนจริงจึงได้ของจริงมาสอนโลก พวกเราทั้งหลายถือว่าท่านเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของเราท่านทรุคิปฏิบัติอย่างไรเราควรจะนำข้อวัดปฏิบัติการฝึกอบรมของท่านมาดักกายวาจาใจใจองสม น, นี่แหละเรื่องธรรมะที่จะเกิดขึ้นแก่พผู้ใจเจ้าหรืออาหักอาหันไม่ใจของเล่น เราเองจะมาทำเล่นจะเห็นผลอย่างท่านเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นขอพวกท่านทั้งหลายจงนำไปพิณิพิจรารณาสอนใจของตนการอาธิบายธรรมะผมเห็นว่าพอต้องกวนเจเวลาขอจิตยงแค่นี้ได้วัง